สมาธิภิกขเวพาเวทะสุสมาฮิโตยะธาภูตังปะชาณาติต <c oughs> ินั่งตามสบายณลนะำดับต่อต่นี้ก็ถึงวาระแห่งการที่จะฟังธรรมปฏิบัติธรรมไปตามลำดับ ออการนั่งฟังธรรมเราจะนั่งฟังแบบลืมตามองมาที่พระก็ได้หรือเราจะหลับตารู้ลมหายใจไปด้วยฟังธรรมไปด้วยก็ได้นะแต่ถ้ารู้ลมหายใจไปด้วยฟังธรรมไปด้วยโอกาสหลับมันเยอะแต่ถ้าลืมตามองหน้าพระมันจะได้ไม่ง่วงจ้องมาที่พระมันจะไม่ง่วง พิจารว่าหลับตารู้ล ม, มาหายใจไปด้วยฟังธรรมไปด้วยธรรมก็ไม่ได้ง่วงก็หลับธรรมารีก็ไม่มี <c oughs> เมื่อตะ ก, กี้ศีลข้อที่สามเพื่อทําความเข้าใจนะกาเบ ส, ส่วนมากเราจะว่ากาเบสุมิชฌาจาระเวรมานีสิกะปะทังอย่างนี้ถ้าไม่รู้จะแปลยังไงนะกาเบสุมิชฌาเนี่ยไอกาเบสุเนี่ยมัน มันมันสับหนึ่งมิจฉานี่ยมันศั์หนึ่งในฝงเราบอกว่ากาเบสุมิฉากลายเป็นว่ากาเบศัพหนึ่งสุมิจฉาศับหนึ่ ง, งไอ้ข้อแตกต่างยังไงกาเบสุแปลว่าในกามทั้งหลายกาเบนีในกามไม่มีทั้งหลายทีนี้มิจฉาแปลว่าผิดมิจฉาจาราแปลว่าประพฤติผิด พอสุมิชฉาจาราแปลว่าประพฤติผิดดีอ้าวเข้าใจไหมเข้าใจไหมพประกามีสุมิชฌาประพฤติผิดดีในการปะกามสุมิชาจารา เวรามณีเวาาน้นเวรมรีเว้นใช่ไหมมิจฉาจาราจากการประพฤติผิดกาเบสุในกามทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราคนเรียกว่าคนมีอาจารย์มันจะต้องไม่พูดว่ากาเบสุมิจ่างั้นไม่ได้อันนี้ว่าตามกันมามันต้องว่ากาเบกาเบสุ มิจจาจาราเวแต่ว่าถ้าเราไปที่อื่นพอเราว่ากาเมสุเพื่อนบอกเพื่อนเพื่อนเราคนอื่นๆก็บอกกาเมสุมิจจาไม่ใช่เราไปนั่งว่าเพื่อนอีกนะไอเราว่ากาเมสุมิจจาจาราเวพอเพื่อนว่ากาเมสุมิจจาบอกไม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่เอาใหม่เราอะกําลังจะเป็นอกุตชนใช่เอง เราก็ทำของเราให้มันถูกไม่ต้องไปรังไปต้องไปรบกวนการกระทำของใครแต่ว่าเราต้องรู้ว่ากามสุมิชฌาจ า, าเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรคำว่ากามสุมิชฌามันหมายความว่าอย่างไรเราต้องรู้ทำไปด้วยความรู้ไม่ใช่ทำไปด้วยความไม่รู้นี่านั้นมันก็จะผิดเพี้ยนไปหมด เด๋ยวนี้เห็นหลายที่อย่างของหลวงพอ่อหลวงพ่อเจ้าอาวาสพระราชาท่านก็เน้นอย่างไอย่างนี้ละอย่างนี้ละเพราะมันเป็นของถูกต้องใครที่รู้ก็จะรู้ว่าความถูกต้องเป็นอย่างไรวางที่ก็ไปกับทั้งพระทั้งโยมกเมมนาา น, นี่เรามาที่นี่ถือว่าเรารู้แล้วต่อไปเราก็กาเมรู้ มิจจจาระมันก็ไม่ใช่เรื่องอยากพอเรารู้ว่าความเป็นจริงเป็นอย่างไรเราเข้าใจอย่างไรมันก็ทําให้มันถูกซะอย่างนั้นแต่เราไม่ต้องไปรุนรงค์คนอื่นนะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะทะเลาะกันเราเอาเฉพาะตัวเราเองอืวันนี้ขอนําเข้าสู่การปฏิบัติธรรมการฟังธรรมปฏิบัติธรรมในอานาปานสติครั้งที่เท่าไหร่เจ็ดสิบแปด โอ้โหมากเลยมากเลยครั้งละเดือนนี่เท่ากับกี่เดือนเนี่ย12 5 6 0 12 6 7 12 6ปี6ปีกว่านะเกินเนีเพราะมีบางปีมันไม่ครบ12เดือนเนี่ะเออฮะสิบห้านะเออก็ถ้าเอา10ห้านก็17 เ, เป็น70 เจ็ดปีแปดเดือนใช่ไหมโอมาไกลมากไรวันในชั้นไหนแล้วไกลมากก็ขออนุ่มโบสนานะที่ได้มาพบมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งของวันนี้วันนี้แต่ทางบรรยากาศจะเป็นใจนะการปฏิบัติธรรม มาถึงวันนี้คิดว่าหลายคนก็คงรู้แล้วแหละว่ามันมีความสำคัญที่สุดในชีวิตชีวิตนี้มีการมีธรรมะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตเพราะชีวิตที่ปราศจากธรรมะเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยทุกข์ที่ไม่ได้รับการขัดเกลวเลยเหมือนเหล็กแท่งหนึ่ง มันเต็มไปด้วยสนิมที่กำลังหอกหอกออกมาจากตัวของมันเองโดยไม่ได้มีการชำระขัดเกลเลยชีวิตที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ได้ปฏิบัติธรรมะมันก็คือชีวิตที่เป็นเสมือนเหล็กที่มีสนิมเกาะหอกออกมาตาลอดเวลา สนิมของใจของชีวิตมันก็คือกิเลสชาติทั้งหลายอารมณ์มันเป็นต้นทั้งพวงเรียกว่าเรียกว่าสนิมมันเกิดมาจากภายในของชีวิตถ้าชีวิตที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ได้ปฏิบัติธรรมะมันก็เป็นชีวิตที่มีกิเลสสวะทั้งหลายพอกพูนห้องงอกงามเจริญโต ต, ตออกมา โดยที่เจ้าของชีวิตควบคุมไม่ได้และในที่สุดมันก็จะ เ, เต็มไปด้วยความทุกข์นั้นที่สุดจุดนัดพบของอาสาวะทั้งปวงคือความทุกข์นะเป็นจุดนัดพบของอาสวะคนหนึ่งจะามากไปด้วยความโลภคนหนึ่งอาจจะมากไปด้วยกรรมรักคะคนหนึ่งอาจจะมากไปด้วยความโกรธคนหนึ่งอาจจะมากไปด้วยความโกรอด้วยค คนหนึ่งอาจจะมากไปด้วยความอิจฉาริษยาแต่สุดท้ายมันไปสู่จุดนัดพบเดียวกันคือความทุกข์ไปสู่จุดเดียวกันเลยคือความทุกข์เหมือนแท่งเหล็กที่ปล่อยให้สนิมมันหอกกรอกกลางขึ้นมาจากภายในจนออกมาสู่ภายนอกม้นจะเป็นแท่งเหล็กที่มันอยู่ตามรถราคาหรูๆอันไหนก็ตามแต่มันมีจุดนัดพบอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่การแตกหัก อยู่ที่การแตกหักของแท่งเหล็กนั้นถ้าปล่อยให้สนนิมมันกินไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆในที่สุดมันก็หักมันก็แตกใช้การไม่ได้ชีวิตนี้ก็เหมือนกันถ้าเราขาดการศึกษาธรรมะขาดการปฏิบัติธรรมะมันก็ชีวิตนี้มันก็จะมีแต่โลกสะสมบัติมีโลกสสมบัติก็จะอยู่ด้วยตัณหาราคะ มีการแสวงหาด้วยอำนาจของความอยากที่จะตทยานออกไปตลอดเวลาตื่นมาแต่เช้าพอรู้สึกตัวขึ้นมาใจเจ้าของมุ่งมากแต่ว่าวันนี้เราต้องไปเอาอะไรต้องไปหาอะไรต้องไปทําอะไรจนกระทั่งตกเย็นถึงเวลาจะหลับตาลงหลับแทบจะไม่ลงเพราะว่าไอความอยากนั้นมันยังทะยานอยู่เพราะมันยังไม่จบมันยังไม่พอมันยังไม่สิ้น เพระพระพุทธเจ้าท่านเปรียบว่ากลางวันพน่นกลางคืนพ้นฟันกลางวันพ่นไฟมันไม่มีอะไรอย่างอื่นมันมีที่จะให้เราไปแสวงหาโดยท่าเดียวทีนี้ชีวิตมันประกอบไปด้วยร่างกายและจิตใจร่างกายนี่ก็เป็นเสมือนเครื่องมือถ้าปล่อยให้จิตใจเต็มไปด้วยอำนาจของของอาสวะเนี่ยเครื่องมือคือร่างกายเนี่ย มันจะทำงานไม่หยุดแต่ในที่สุดมันก็ซุดลงร่างกายนี้ในที่สุดมันก็สุดลงพอสุดลงแล้วจะเกิดอะไรก็เกิดทุกข์สิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นของเราเราแสวงหาถือครองครอบครองไว้ในที่สุดมันก็พลาดจากเราไปหรือเราต้องพลาดไปจากมันเวลามันมีความพ ล, ดพลาดๆเกิดขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือทุกข์เพราะฉะนั้น ไมานว่ามันจะแตกต่างกันมากมายในเรื่องของชื่อเรื่องของคุณสมบัติอื่นๆแต่สุดท้ายมันไปถึงจุดที่นัดพบเดียวกันคือทุกนี่เรื่องของกิเลสศาสะวะแต่เรื่องการปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่การปฏิบัติธรรมการศึกษาธรรมเป็นเรื่องที่ขัดเกลาสนิมของชีวิต ขัดเราไปเรื่อยๆขัดเราไปเรื่อยๆขัดเราไปเรื่อยๆขัดเราไปเรื่อยๆขัดเลาไปจนสนิม น, น, นั่นมันหมดก็มันเหลือแต่แท่งเหล็กที่ใสบริสุทธิ์ก็เหลือติตใจที่สะอาดสว่างสงบบริสุทธิ์หมดจด <ans> นั่นเป็นเรื่องของการศึกษาธรรมะและการปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่เห็นคุณค่าตรงนี้ไม่มองควาสมสําคัญตรงนี้เราไม่ศึกษาธรรมไม่ปฏิบัติธรรมเลยเนี่ยชีวิตเราก็ เหมือนกับแท่งเหล็กที่มีแต่สนิมหอกเงยขึ้นมาทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันในที่สุดมันก็จะไปไปตันอยู่ที่ความทุกข์อย่างที่กล่าวเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะมันจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีเพราะนั้นครั้งนี้เป็นครั้งที่เจ็ดสิบแปดที่ชื่อว่าการฟังรมการฟังทำคือการศึกษานะการฟังนี่คือการสึกษารม การฟังทำปฏิบัติทำครั้งที่78็สบดฟังเพื่อให้รู้แล้วก็ปฏิบัติตามที่รู้นั่นแหละหลักของมันไม่มีอะไรมากมายที่นี่เราสอนเรื่องอะไรเป็นหลักอานาปานสติซึ่งพระพุทธเจ้าตรัส ชัดเจนว่าสมาทิงพิกเวพาเวทะพิษุพวกเธอจงเจริญสมาธิกันเถอะสุสมาฮิโตยธาปูตังปชาณาติเพราะว่าเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยจะรู้ตามความเป็นจริงไอ้รู้ตามความเป็นจริงนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าเราเต็มไปด้วยความไม่รู้เราเกิดมาจากท้องแม่เนี่ยไม่รู้อะไรเลย มีใครรู้เรื่องอะไรมั้งออกมาจากท้องแม่หิวทําไงร้ององ่ายเมื่อยทำไรร้ององอหิวก็ร้องเมื่อยก็ร้องอะไรก็ร้องอย่างเดียวไม่รู้เพราะอะไรเพราะมันไม่รู้พอเราผ่านไปแม่ก็เริ่มจับเราป้อนน้ํานมป้อนโน่นป้อนนี่แล้วก็จับเราพลิกไปพลิกมามาเรานอนเมื่อยเมื่อยอยู่พอแม่จับเราพลิกใช่ไหมเออ มันสบายไว้อ๋อไอ้ไอการไอ้การที่พลิกผันเปลี่ยนอิริยาบถนี่มันมันแก้เมื่อยแก้ทุกขไว้มันเริ่มรู้ตั้งแต่ตอนนอนแล้วพอนอนอย่างนี้สังเกตดูดิเราว่เดี๋ยวนี้เราไม่จะมารู้ตอนนี้นะเรารู้มาตั้งแต่ตอนเด็กๆนอนแบเบาอยู่น่นนอนอนแม่เขาจะบพลิกจะบพลิกไปพริกมานรานเนี่ยร้องแม่มันรู้แล้วข้าวก็เพิ่งให้กินแต่เด็กว่ามันไม่ได้หิวใช่ไหมอะไรก็ไม่มี แสดงว่ามันเมื่อยแม่ไถึงจับพลิกนิดเดียวพลึกเงียบนอนไปพักหนึ่งแ้สักพักหนึ่งผมเมื่อยใหม่แล้วก็ร้องแม่ก็จับพลิกไ ม, ไม่รู้อะไรเลยค่อยๆเรียนรู้หิวร้องขอกลอนจนกินอ๋อมันก็รู้ขึ้นมารู้ขึ้นมาว่าอ๋อกินกินนี่แก่หิวสิ่งที่ไม่รู้มันจะถูกดับด้วยอะไร ถูกดับด้วยอะไรพายวนเอาให้ชัดๆสิสิ่งที่ไม่รู้มันถูกดับด้วยอะไรฮะดับด้วยรู้อะไรที่รู้ความไม่รู้ใดที่มีความรู้เกิดขึ้นแล้วความไม่รู้นั้นโดนดับไปเดี๋ยวนี้ใครใครเคยร้องไห้ร้องเวลาหิวแล้วใครเคยยืนร้องไห้ขี้มูกโงงามีไหมไม่มี ทำไมเอาวเวลาหิวไม่ร้องไห้หล่ะเดียวเพราะมันรู้เลย ว, ว่าต้องกินใช่ไหมความไม่รู้มันต้องโดนดับด้วยรู้เพราะในพระสูตรหนึ่งพระเจ้าว่าว่าปูรังโกติคือเงื่อนเงื่อนต้นเงื่อนต้นของอวิชชานะไม่มี อีโต ป, ปูเปอีโต้ในการก่อนแต่การนี้นะแดนเกิดของอาวิชาไม่มีเราไม่ต้องไปจับเพราะชาติที่แล้วพบที่แล้วพบตุนนวนพบนี้อย่าไปจับวุ่นวายนะไม่ต้องไปเถียงกันหรอกว่ามันมีหรือไม่มีอะ่ะไม่ต้องไปจับเอาไอ้ตัวเองนี่ให้รอดก่อน ตอนที่เราเกิดมาปั๊บตัวที่จะเป็นอวิชชาตอนนั้น่ะมันยังไม่มีสำหรับที่จะเป็นตัวไหลเข้าไปสู่ทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสเลยว่าอีโต อ, โ ต, อโตบุเบ อ, อโตบุเบอโตบุเบในการก่อนแต่การนี้อวิชชาณัติสมพวติอวิชชาเนี่ยยังไม่มีแดนเกิด ต้นเงื่อนของมันยังไม่เกิดต้นเงื่อนของมันยังไม่มีก็เราก็ต้องคิดว่าก่อเป็นรูปเป็นนามขึ้นมาแล้วเนี่ยจิตยังไม่ได้เข้าไปเสวยอะไรกระมกับเป็นรูปเป็นนามเนี่ยมันมีอะไรมันไม่มีถูกไหมละ่ะแต่ว่าพอมันก่อตัวขึ้นมาปับ๊บสิ่งแรกที่เราเข้าไปเรียนรู้รับรู้คือความสุขความสบายแล้วเราก็ ไม่เอาความทุกความไม่สบายใช่ไหมหรือเอาหรอหรือชอบความทุกความสบายตั้งตั้งแต่นนท์เลยเอาสมมุติว่าเราจําได้ระลึกได้ตั้งแต่ก่อตัวเป็นชีวิตรู้สึกว่าตัวเองมีชีวิตขึ้นมาแล้วเนี่ยตอนนั้นอ่ะเราเราชอบความทุกข์แล้วเกินหนูได้ความทุกข์แล้วอูยชอบไหมไม่ชอบใช่ไหมเออแล้วเราชอบอะไรความสุขความสบาย พอเราชอบความสุขสบายมันก็จะไต่มาเรื่อยเป็นนิสัยในที่สุดตามันก็อยากจะดูเฉพาะสิ่งที่สวยๆถูกอกถูกใจหูมันก็อยากจะฟังเฉพาะสิ่งที่ชอบชอบถูกอกถูกใจลิ้นมันก็อยากจะได้สัมผัสกับรสที่ชอบถูกอกถูกใจจมูกมันก็อยากจะได้สัมผัสเฉพาะกลิ่นที่ถูกอกถูกใจกายมันก็อยากจะสัมผัสกับสิ่งที่ถูกอกถูกใจเมื่อมันไปเจอรูปที่ไม่ถูกอกถูกใจขึ้นมามันเป็นไงถูก ถ้าเจอถูก อ, อกถูกใจขึ้นมามันไงสุขความถูก อ, อกถูกใจความไม่ถูก อ, อกถูกใจนี้มันเกิดกับชีวิตนี้ตลอดเวลาพอเขาเกิดขึ้นมามันเลยทำให้เกิดตัวหนึ่งชื่อว่านิวรืมตัวนิวรมันเลยเป็นตัวที่ทำหน้าที่เป็นอาหารเป็นปุ๋ยของอะไรของอวิชชางาน พอนิวอนเกิดขึ้นมันก็ไปขุดดินไปรดน้ำใส่ปุ๋ยก่อต้นอวิชาเป็นเงื่อนต้นของมันก่อขึ้นมาทันทีและนิวอนนี่มันไม่ใช่มันเกิดขึ้นมาเฉยๆอีกล่ะมันมีอะไรนิวอนน่ะนิวอนมันเกิดขึ้นมาจากอะไรนิวอนมันเกิดขึ้นมาจากทุจริตสาม การกระทําการพูดการคิดที่ผิดๆจะ ก, ก่อตัวบ่มขึ้นมาเป็นนิวรณ์นิวรณ์ก็จะไปเป็นอาหารให้อวิชชาทุกอย่างเหมือ น, เ ห, อ น, เ, หอนเหมือนกับเหมือนเหมือนกับเถาวันที่มันมีเงื่อนอยู่แล้วก็ล่าขึ้นมาเป็นเถาเถาเถาเถาถ้าเราไม่มีการศึกษาธรรมะเอาง่ายๆเราไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเสร็จ เราจึงเหมือนคนที่อยู่ในหลุมโคลนที่เคยเปรียบเทียบไว้ความห <c oughs> ลุมโคลนของความทุกข์เราอยู่ในเหมือนสัตว์ที่เกิดอยู่ในหลุมโคลนของบ่อใหญ่ดำปูดดำว่ายอยู่ในนั้น <c oughs> และกิจกรรมทั้งหมดก็ทําอยู่ในนั้น <c oughs> ถ่ายหนักถ่ายเบาสืบพันตีรันควันแทงแย่งจริจจาริษยาอยู่ในหลุมเนี้ย อยู่ในหลุมนี้แล้วถ้ามันมีเฉพาะสิ่งที่ถูกใจมุ่งหาแต่สิ่งที่ถูกใจสัตว์หนึ่งก็หาสิ่งที่ถูกใจสัตว์หนึ่งก็หาสิ่งที่ถูกใจมันจะเกิดอะไรขึ้นอะฮมันก็เกิดชุนลุมุนวุ่นวายกันอยู่ในหลุมนั่นน่ะริ่มมีสัตว์หนึ่ง ไม่ไปทุลมุลวุ่นวายกับเขาปีนป่ายตนเองขึ้นออกจากหลุมบ่อนี้ปีนขึ้นมาแล้วตกลงไปปีนขึ้นมาแล้วตกลงไปปีนขึ้นมาแล้วตกลงไปปีนจนชำนาญในเส้นทางที่ปีนขึ้นจนขึ้นไปยืนอยู่เหนือปากบ่อได้เดินฉัดผู้นี้รู้เลยว่า โอ้โหนึกภาพออกยังว่าไอ้อยู่ในก้นหลุมน้นกับอยู่บนบนปากบอ่ออันไหนมันจะดีกว่ากันแล้วพวกที่ก็ปีนขึ้นมาจากก้นหลุมนี่ได้มันจะรีบไปให้พ้นบ่อใช่ไหมละ่ะมันไม่เอาแล้วไอ้นั่นแหะเขาเรียกว่าพวกพ้นทุกข์ก้นบ่อนี่มันคือหลุมของความทุกข์พอปีนขึ้นไปได้อยู่ปากบ่อเดินอยู่บนพื้นดินที่เป็นอิสระเนี่ย ไอ้ น, นี่คือเรียกว่าพ้นทุกข์ไม่มีผู้ใดปีนขึ้นไปอยู่บนนั้นแต่แดนนั้นมีอยู่ไหมมันมีอยู่พระพุทธเจ้าคือสัตว์ผู้หนึ่งที่ปีนขึ้นจากหลุมของความทุกข์เนี่ยปีนป่ายขึ้นไปปีนป่ายขึ้นไปปีนจนชํานาญเส้นทางว่าไปตรงนี้ไปตรงนั้นไปตรงนั้นไปตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยพอไปถึงแล้วเนี่ยเห็นแล้วว่าสามารถกระโดดจับปีนขึ้นไปได้ แต่เส้นทางมันไม่ชำนานไงเพราะว่าหน้าที่ของท่านผู้นี้เนี่ยหวังที่จะช่วยไอ้พวกที่ดำปุดดำปุดอยู่นี่ในก้นหลุมน้นมันจะช่วยมันขึ้นมาอย่างไงเพราะฉะนั้นเส้นทางการปีนป่ายที่จะเดินขึ้นไปสู่พอบ่อนี้จะต้องชำนานเข้าใจปะ่ะมันต้องชำนาน ปีนแล้วปีนอีกปีนแล้วเพรา ะ, ะนั้นตั้งแต่พระพุทธเจ้าเป็นเจ้าชายไอ้เป็นพระโพธิสัตว์เออเป็นอนิยตอนิยตะโพธิสัตว์เนี่ยสิบหกอสงไขยไม่ต้องไปนับนะว่านานแค่ไหนแล้วหลังจากนั้นเป็นนิยตโพธิสัตว์ได้รับการพยากรณ์จากพระทีปังกรพุทธเจ้าเนี่ยอีก สี่อสงไขกับแสนกลับรวมแล้วสัตว์ผู้นี้พยายามปีนป่ายออกจากหลุมโคลนอันเนี้ยปีนแล้วตกปีนแล้วร่วงปีนแล้วตกปีนแล้วร่วงเนี่ยใช้เวลายี่สิบอสงไขกับแสนกลับ คิดดูที่ความชำนาญในเส้นทางของการปีนของของของเจ้าพระโพธสัตว์เนี่ยจะชำนาญขนาดไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ว่าเอ่ยปากบอกอะไรมึงไม่ต้องไปเถียงไม่ต้องไปสงสัยแล้วทำตามเถอะ <laughs> เพราะว่าในสิบกอสุงไขยแรกอะ่ะที่ตอนปีนขึ้นมาไม่ตกไปตอนที่ยังไม่ได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเนี่ย ปรารถนาโพธิญาณปรารถนาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่บางพระชาติเป็นเกิดในนรกเพราะการทําความชั่วเห็นไหมแม้นว่าปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วยังต้องเกิดเป็นตกเบเป็นตกนรกทุกขุมตกมาหมดสัตว์ในรฉ า, านทุกชนิดแม้แกกระทั่งวรนุช ก็เคยเกิดไปเป็นแล้วเป็นมาเทพทุกสัตว์ทุกกำเนิดในกำเนิดทั้งสี่เพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้นี้เอ่ยปากบอกว่าอย่างไรให้เชื่อเถอดทำตามอย่างเดียวไม่ต้องไปสงสัยเข้าใจปะไม่ต้องไปสงสัยเ น, นืดังนั้นในเส้นทางของการศึกษาธรรมะและการปฏิบัติธรรมะตัวหนึ่งที่เราจะต้องมองคือตัวกุศลกับอกุศล ศรัทธาของเราตั้งขึ้นแล้วในพระรัตนตรพอศรัทธานี้ตั้งมั่นขึ้นแล้วใจเราเป็นยังไงจะไม่เสื่อมจากอุสนเพราะความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่แหละพระพระเจ้าถึงตรัสในสมาปฏิสูตันเถิดตรัสว่านตาวะภิกขเว กาน้าตาว่าพิกเวออาุสรัสสะสมาปฏิโหติการเข้าถึงอาคุศนนะ่ะจะไม่มีจะไม่มีนะยาวะสัทธาปจุธิตายาวะสัทธากูยาวะสัทธากูสเลสุธรรมเบสุปั ด, ป ด, ปดจัดทิตาโหติตราบใดที่ ศรัทธาคือความเชื่อนี้ยังตั้งมั่นอยู่ก็ถ้าเรายังตั้งมั่นอยู่ในพระพุทธเจ้ายังตั้งมั่นอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้ายังมั่นคงอยู่กับพระพเจ้าเนี่ยศรัทธาที่ตั้งมั่นอย่างนี้มันจะทาให้เรามีความมั่นคงในกุศลการเข้าถึงอ ก, กุศลจะไม่เกิดขึ้นแต่เมื่อใดเนี่ยยาโตจากโข อ่ศรัทธาอันตรหิตาโหติเมื่อใดที่ศรัทธานี่มันเสื่อมเห็นไหมมันเป็นเกิดมันพอเสื่อมปั๊บมันจะเกิดอาสัยทิยะอาสัยิยคือความไม่ศรัทธาเข้าครอบงำครานั้นใจของเราก็จะไปสู่อกุศลทันทีอกุศลทั้งยเกิดง่ายสำหรับคนที่เป็นอาสัตยะอืม ถ้าเราไม่ศึกษาธรรมะไม่ปฏิบัติธรรมะศรัทธาของเรามันจะมีเพียงพอสําหรับที่จะให้มั่นคงต่อกุศลไหมไม่มีหรอกเพราะฉนั้นพอเกิด พ, พอพูดถึงตรงนี้นะมาถึงพวกเราที่นั่งอยู่เนี่ยถ้าเรียกว่ายิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งคนถูกรางวัลที่หนึ่งี่เต็มที่เต็มแม็กมันได้เท่าไหร่ฮ <c oughs> ะเท่าไหร่นะ <c oughs> โอ้ยชุดใหญ่ไม่ใช่มั่ง เอาเต็มแมกหน่อยดิรางวัลที่หนึ่งถึงมีถึงหกสิบล้านนะใช่ป่าวชุดใหญ่มาหนะเออรางวัลที่หนึ่งเต็มแม็กของมันเลยนะยังไม่ถึงเศษเซียวของความศรัทธาที่มีความมั่นคงต่อพระพุทธเจ้าถ้ามันมั่นคงแล้ว เราสามารถเข้าสู่สภาวะของความเป็นผู้มั่นคงต่อพระพุทธเจ้าได้เนี่ยมันจะรู้สึกเลยว่าเออความอะไรความปิติความดีอกดีใจความชื่นใจอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอารางวัลที่หนึ่งของลอตเตอรี่ไทยหรือลอตโต้เบกาลอตโต้เบกานินเป็นร้อยล้านนะบางรัฐอ่ะ เ, เออเ ป, เป็นบางรัฐเป็นบางรัฐ มาเทียบได้เลยเอามาเทียบไม่ได้เลยนะเอามาเทียบไม่ได้เลยเอามาเทียบกับความมั่นคงศรัทธาที่มาแตะพื้นผิวของความเชื่อในพระพุทธเจ้าน่ะือจิตมันน้อมก็ไปเห็นถึงคุณค่าของคนที่เป็นพระพุทธเจ้ามาตั้งขึ้นอยู่ที่ใจของเราจิตเรามันไปแตะพื้นผิววันนี้แล้วเนี่ยมันไปเทียบกับไอ้โลกิยะสมบัติพวกนี้ไม่ได้เลยเพราะไอ้นี่มันเป็นธรรมสมบัติมันไปเทียบ ไม่ใช่ไปเทียบกันไม่ได้นะเทียบไม่ได้แม้นว่าให้มันเป็นรูปเป็นชิ้นเป็นอันเป็นกองออกมาตั้งกันเนี่ยความที่เป็นธรรมสมบัติติที่มันแตะพื้นผิวของความของสัตสัยะเนี่ยมันจะเป็นเนื้อกว่าเยอะเนื้อกว่าเยอะเนื้อกว่ามากมายถ้าไม่เช่นนั้นเราพิสูจน์ง่าย เราเดินออกมาจากตัวเราเองที่อ๋อเรามีร้อยล้านแต่มันจริงๆไม่มีนะเดี๋ยวสมมติเดี๋ยวโอ้โหมีตั้งร้อยล้านหลวงพ่อหลวงพ่อสมมติสมมติว่าอันตามานี่มีร้อยล้านถ้าอันตามาจมอยู่ในอันตามาผู้ซึ่งมีร้อยล้านเป็นไงปราตานึกโอ้โหกูรวยใช่ไหมกูรวย โว้ยกูสบายเหนือกว่าเขาเยอะกูรวยแล้วถ <t> ้าเดินออกไปอะเอาไอ้คำว่าอาตมาร้อยล้านนี่ตั้งอยู่ตรงนี้แล้วเดินออกไปแล้วยืนดูอาตมาร้อยล้านเป็นไงดูความเป็นจริงดูความเป็นจริงคืออาตมาร้อยล้านตั้งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเอาอาตมาร้อยล้านนี่แหละเดินออกห่างไปสักสองเมตร ไม่ต้องทำอะไรหรอกยืนดูอาตมาร้อยล้านอยู่เนี่ยให้ยืนดูสักสิบปีจะพบเจออะไรมันก็เห็นอาตมาร้อยล้านบ้าบอคอแตกอะไรไม่รู้เดี๋ยวก็ไปตรงนั้นเดี๋ยวก็ไปตรงนั้นเดี๋ยวก็ยิ้มเดี๋ยวก็หัวเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็ร้องไงเดี๋ยวก็น้าตาไหลโอ๊ยเดี๋ยวก็ อ ย, <PTSD> อย่างนั้นเดี๋ยวก็อย่างนี้เดี๋ยวก็อย่างงู้นเดี๋ยวก็อย่างนี้ผมก็เริ่มขาวผมก็เริ่มร่วงควันก็เริ่มหักหมดแล้วหนังก็เริ่มเหี่ยวหลังเร şey ิ่มโค้งกรงคอร่วมก็ปากเริ่มบุมตาเริ่มโปนหนังผิวหนังใบหน้าอะไรต่างๆเหี่ยวหมดแ้าอาตมาร้อยล้านนี่ไอ้พวกที่ยืนดูอยู่อถ้าหากว่ามันยืนดูอยู่มันจะรู้สึกยังไงมันจะรู้สึกความเป็นร้อยล้านไหมรู้สึกไหม รรมสมบัติถ้าเราสามารถเข้าถึงพื้นผิวในความศรัทธาของพระพุทธเจ้าใจเราไปสัมผัสความมั่นคงต่อศรัทธาในพระพเจ้าแบบนี้กับสมบัติที่ว่าอย่างเงี้ยมันจึงเทียบกันไม่ได้มันจึงเทียบกันไม่ได้แต่ถ้าเรามองคนอื่นถ้าเรา ถ้าเราลองทำสมมติฐานแล้วเราเดินออกมาจากตัวเราเองแล้วเรามองตัวเราเองตั้งแต่เราเคลอดมาจากท้องแม่หรืออนุมานเอาก็ได้ว่าสมมุติว่าเราสี่สิบหรือถ้วเราเดินถอยหลังกลับไปก่อนสี่สิบปีตอนนั้นเรานอนอยู่ในท้องของแม่เราลองดูสิว่ามันเป็นยังไงสภาพการในนั้นถ้ามันยังไม่รู้ว่าสภาพการในนั้นเป็นยังไงก็ไปหาหนังสือมาอา่าน เพื่อสุดสายมันเข้าใจให้มันมีความรู้และลองอนุมานเราดูว่าตอนเราอยู่ในโลกแม่มันเหมือนกันหมดทุกคนแหละมันเป็นอะไรมัง่งหัวที่จะจมูกปากอะไรต่างๆจมอยู่ในถุงน้ําคร่ําเป็นยังไงน้ําคร่ามันก็จะเข้าจมูกเข้าปากเป็นยังไงหมุนอยู่ในนั้นเป็นยังไงกินอาหารทางเจาะทางเส้นสายที่เจาะผาดท้องชั้นในเจาะผ่านทางช่องสะดือของตัวเองเป็นยังไงกินอยู่ในนั้ น, ไ, นไปดูสองสามวันก่อนใกล้คลอดก็ได้ ที่แม่กําลังเจ็บปวดกัำนางอะไรตัวเรานอนอยู่ในนั้นจะเป็นยังไงจนคลอดผ่านจากท้องชั้นในของแม่ผ่านตักแม่ออกมาอยู่ข้างนอกแล้วเราเป็นยังไงโตขึ้นมาแล้วมันเป็นยังไงจนมาถึงวันนั้นที่เราจําความได้เราถอยกลับไปเราจําความได้ครั้งที่จําได้ที่สุดเลยตอนนั้นเป็นยังไง แต่ละปีของปีนั้นเป็นยังไงถ้าเราลึกได้แล้วลราดูเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงมาถึงวันนี้แล้วเป็นยังไงมันจะแทบจะไม่พูดถึงถึงคำว่าร้อยล้านเลยนะมันแทบจะไม่พูดถึงเลยนะมันจะเกาะติดใจเฉพาะการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนของรูปของนามของสังขารเนี่ยนี่จะมาถึงวันนี้แล้วเป็นยังไงแล้วต่อไปเนี่ยอีกวันนี้อีกปีหนึ่งมันจะเป็นยังไง อีกปีเงมันจะเป็นยังไงอีกปีเงมันจะเป็นยังไงอีกปีเงมันจะเป็นมันจะเห็นชดต่อชดเลยแล้วถ้าพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆทั้งทั้งอนุปัสนาและวิปัสนาทำอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆมันจะเกิดความเข้าใจตนเองอย่างชัดเจนมากทีนี้เราไม่ต้องไปออกไปแล้วไม่ต้องออกไปยืนดูตัวฉันแล้ว หลับตาก็เห็นแล้วว่าตัวเรานี่เป็นยังไงนะการทําอย่างเนี้ยมันจะทําให้เราเข้าใจพระพุทธเจ้าได้เยอะมากแล้วเราสัตว์ที่มันอยู่ในหลุมทวนของความทุกข์นั้นที่มันดําผุดดําไหวกันอยู่ที่มันแย่งตัวเมียกันมั่งที่มันแย่งโน่นแยงนี่ปีนป่ายกันที่อยู่บนอยู่ล่างมั่งจองที่จองแดนจองอะไรกันมั่งโกงตรงนั่นโกงตรงนี้ไอ้นั่นก็ของฉันไอ้นี่ก็ของฉันมันไม่ได้ดูเลยว่าไอ้ตัวมันเนี่ย ลาลงทุกวันทุกวันทุกวั น, ก, วนกำลังจะเ้าสู่ความแตกดับมันไม่รู้นี่สัตว์ที่ปีนขึ้นไปอยู่ข้างบนน่ะคือพระเจ้านะปีนขึ้นไปแล้วเนี่ยทรงชะเงอมม อ, อ, อทำหน้าที่รื้อขนรื้อขนสัตว์ที่อยู่ในหลุมโคลนเนี่ยออกไปจากหลุมโคลนนี้ให้ได้มากที่สุดสัตว์ตนไหน ที่อยู่ในฐานะที่จะรื้อขนขึ้นมาได้ก่อนจกฟ้าคนนั้นก่อนทันทีไม่ใส่ใจเรื่องอื่นหน้าที่ของพระพุ้เปเจ้าถ้าท่านช่วยคนนี้ได้ก่อนนะเช้าขึ้นมาหน้าที่ของพระเจ้ากูนั่งตรวจพิจารณาว่าใครเช้านี้ใครที่วันนี้ใครที่มันจะได้มรผลใครที่จะได้มรขนตรวจตรวจตรวจหน้าที่เลยตรวจเสร็จพบเจอคนนั้นปุ๊บเสด็จปุ๊บเสด็จปุ๊บ ไม่ได้ไปไม่ได้ไปคิดอย่างอื่นเลยจะทำหน้าที่รื้อขนเพราะว่าภัยคือทุกใหญ่กำลังครอบงำสัตว์อยู่ให้หน้าที่ของพระเจ้าถ้าเราได้มีความศรัทธาที่มั่นคงต่อพระพุทธเจ้าเรียกว่าใจของเรานี่เข้าถึงพื้นผิวของความศรัทธาอันนี้มันจะไม่มีสมบัติใดอื่นเข้ามาได้กเลยถ้าเรเรียกว่าอาริยศัพย์เรียกว่าธรรมสมบัติ นีกว่าทำมาสมบัติเป็นชับที่แท้จริงมันวัดกันไม่ได้นะกว่าจะไปถูกชุดใหญ่ห0สล้านวัดกันไม่ได้นะเพราะสุดท้ายได้มา60ล้านสักสองชุดเป็นไงมันจะต้องแก่ตาอยู่ดีเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับอะไรใดๆที่เป็นโลกสมบัติได้ไหมแต่อย่างเดียวทำไม่ได้ ทำไม่ได้โดยประการต้งปวงนะให้จาไว้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมในตามคาสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเป็นเรื่องจําเป็นมากเป็นเรื่องที่สำคัญมากเราจะเรียนคอยความรู้ขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเราไม่เข้าใจของธรรมะเราก็เรียกว่ายั ง, งโง่อยู่เพรา ะ, ะไอ้คาว่าโง่โง่คืออวิชชาเนี่ยมันจึงเกิดมาตั้งแต่ตอนนั้นนะ มันบ่มจนกระทั่งก่อขึ้นมาเป็นสามชั้นชั้นอนุสัยชั้นอาสวะและชั้นของนิวรนอนุสัยนี่ก็คือลึกนอนลึกอาสวะนี่มันดองอยู่กลางกลา ง, ลางนิวร น, นี่ออกมาเพ่นผ่านอยู่ข้างนอกและ เราถูกพวกนี้เราอยู่ในหลุมหมักดองอ่ะนึกถึงนึกถึงโหลยาดองไหมเคยเห็นไหมเคยเห็นใช่ไหมเราอยู่ในโหลยาดองอ่ะข้างล่างก้นมันเรียกว่าอนุใสไอ้ตรงกลางๆอ่ะเรียกว่าอาสวะไอ้เลยบนผ่าแผดผิวที่ที่ก็เปิดโหลแล้วตักขึ้นมากินตักขึ้นมากินก็ตักตร ง, ง, งผิวผิวมนะ อ้นั่นเรียกว่านิวรณ์เข้าใจไหมมันไม่มีอย่างอื่นนะมันไม่มีอย่างอื่นอย่าไปสาคัญตนผิดมันไม่มีอย่างอื่นหรอกมันมีอยู่แค่นั้นน่ะทีนี้เราก็อยู่ในอํานาจของมันพออยู่ในอํานาจของของสิ่งเหล่านี้มันเลยทำให้เกิดคำหนึ่งอ่ะที่เรียกว่าเป็นหัวหน้าของเรื่องเราทั้งหมดก็คืออวิชชาอะไรทเนี่ย มันอ้วนพีขึ้นมาอ้วนพีขึ้นมาพอมันไม่รู้ความไม่รู้มันจึงยั่วเยียดเต็มไปหมดในพื้นผิวของของนามธรรมาของเราและเราใช้ชีวิตอยู่มาจนถึงวันนี้เราอยู่ได้ด้วยอะไรอยู่ได้ด้วยรู้ใช่ไหมถ้าเรามีแต่ความไม่รู้อ่ะถ้าเราไม่มีความรู้เราจะอยู่ได้ไหม กินไม่เป็นเดินไม่เป็นนั่งไม่เป็นนอนไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นอ่ะมันจะอยู่ได้ไหมและที่มันเป็นอยู่เยอะแยะมากมายมันเป็นเพราะอะไรเพราะรู้เราจึงอยู่ได้ด้ว ย, ด, ว ย, ด, วยด้วยความรู้ความรู้ที่สูงสุดของความรู้นี่แหละเรียกว่าวิชาความไม่รู้ที่สุดของความไม่รู้นี่เรียกว่าอาวิชามันอยู่เต็มไปหมดอ่ะ จากการที่เราออกมาจากท้องแม่แล้วมันจึงสรุปได้ว่ามันเต็มไปด้วยอะไรด้วยความไม่รู้มืดไปหมดเลยแล้วก็รู้เรื่องนั้นก็ไปดับความไม่รู้รู้เรื่องนี้ก็ไปดับความไม่รู้เรื่องนั้นรู้เรื่องนั้นก็ไปดับความไม่รู้เรื่องนั้นรู้เรื่องนั้นก็ไปดับความไม่รู้เรื่องนี้เดี๋ยวนี้ใครมีความทุกข์เรื่องหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองไหมเคยสงสัยไหม ไม่สงสัยแล้วเมื่อก่อนเราไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้เดี๋ยวนี้เราเคยเคยเลาแวงมันไหมเฮ้ยทำไมหนึ่งบวกหนึ่งเทกับสองวะเคยเลาแหวงไหมความรู้เนี่ยมันดับความรู้ทุกๆความรู้นะมันดับความไม่รู้ของเราที่ชื่อว่าอวิชชา แต่เดิมมันเต็มพื้นที่ใจของเราไปหมดเลยแต่ในส่วนของการเลี้ยงชีวพเสวยหาปัจใจสี่ที่เป็นวิชาการต่างๆมันเป็นเครื่องมือในการเลี้ยงชีพใช่ไหมมันก็จะไปแก้ไขปัญหาอันเป็นเป็นความไม่รู้ในส่วนของการประกอบอาชีพก็ใช้วิชาการเหล่านั้นเข้าไปเข้าไปเข้าไป ความไม่รู้ที่เป็นที่สุดของความไม่รู้คือไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรที่เป็นที่สุดของความไม่รู้อะเป็นความไม่รู้ที่ถือว่าเป็นที่สุดของความไม่รู้แล้วแหละไม่รู้เหนือรู้ใต้เนี่ยก็เป็นความไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่ใช่ที่สุดของความไม่รู้ ไม่รู้บนรู้ล่างก็เป็นความไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่ใช่ที่สุดของความไม่รู้เออไม่รู้อะไรมั้งฮะเออม่ถ้าอยู่ตรงนี้ได้รางวันแล้วนะไม่รู้ที่เป็นที่สุดของความไม่รู้คือไม่รู้ในเรื่องของความทุกข์ไม่รู้ในเรื่องของเหตุของความทุกข์ไม่รู้ในเรื่องของความดับทุกข์และไม่รู้ในเรื่องของ ทางที่จะเข้าไปถึงความดับทุกข์เรียกว่าไม่รู้ในอริยสัจนั่นเองถ้าความไม่รู้อื่นหรือถ้าความรู้อื่นความไม่รู้อื่นอื่นมันเป็นที่สุดได้พระพุทธเจ้าก็น่าจะเป็นพระพุทธเจ้าไปตั้งนานแล้วแต่เพราะเจ้าใจศีลธรรมเนี่ยที่เกิดมาแต่ละภพแต่ละชาติโอ้ยรู้มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่เป็นอะไร อะอบรมปัญญาพระมโหสถใช่ไหมมหโหสถปะแกล้งดูไม่ค่อยมีใครศึกษากันเลยท่ <laughs> <laughs> ที่เป็นพระมโหสถที่ใช้ปัญญาความเป็นปัญญาบา ร, รมีรู้เรื่องเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าไปเช่เลยสิแต่มันไม่ได้ไงเพราะที่สุดของความไม่รู้คือไม่รู้ในอริยสัจ ที่สุดของความรู้คือรู้ไหนไหนรู้ในอริยสัจถ์ถ้าเราศึกษาค้นคว้าเพื่อรู้เองรู้ในอริยสัจด้วยตนเองเราเรียกว่าจัดจรูใช่ไหมสัตว์ผู้ซึ่งจะทำหน้าที่ในการจัตจรูได้เนี่ยจะต้องฝึกฝนฝึกฝนใจของตนเองเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์ที่เราเป็นศาสดาของพวกเราเนี่ย ฝึกอยู่ยี่สิบอาสงไขกับแสนกับถ้าปูเป้จะมาปฏิญญาณตนวันนี้อ่คิดว่าจะฝึกกี่กับ <c oughs> <c oughs> กว่าที่จะไปรู้ในอริยสัจด้วยตนเอง <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นให้ตั้งไปเลยว่าเรานี่โชคดีมากแม้นว่ายังศรัทธานในพระพุทธเจ้าแบบไม่ถึงเนื้อ แต่การที่พวกเราได้มีโอกาสเกิดมาเจอกับพระพุทธเจ้าพบพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสมาฟังเทศควัมธรรมได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมเนี่ยตอนนี้พวกเราก็ยิ่งกว่าถูกรางวัลที่สองที่สามมนะไม่ถึงรางวัลที่หนึ่งเล่ากับได้รางวัลที่สองที่สามมาแล้วเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าทำไม่หมดแล้วความเป็นพระพุทธเจ้าทำไม่ให้เราหมดแล้ว ที่เหลือไปวันก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนี่อย่างโยมออกจากบ้านมาอย่างมากก็แค่เดินทางใช่ไหมมาที่นี่มาถึงฟังพระเทศพระเทศพ ร, ระก็ไม่ต้องทําอะไรหรอกฟัง ข, งของพระเจ้ามาให้โยมเทศเทศให้โยมฟังเราแค่ฟังอย่างเดียวฟัวงฟังฟงฟั ง, งแล้วก็ทําตามมันง่ายไม่รู้จะ ง, ง่ายแค่ไหนแล้ว เหมือนคนจะไปขึ้นภูเขาเพื่อไปหาแร่อ่ะเราจะไปภูเขาลูกดึงใหญ่มากภูเขาหิ ม, มาลายเพื่อที่จะไปหาแร่เอาทองคาก็ได้เช้าขึ้นมาทั้งครอบครัวพ่อแม่ลูกจับไอเลียงแต่งกายแต่งตัวไปเดินเข้าไปป่าบุกขึ้นภูเขาซึ่งมันกว้าง ต่างคนก็แยกกันแหละคนเรามุ่งหน้าหากันไปตรงไหนตรงไหนนาะมันมีทองอยู่มั้งตรงไหนนาะมันมีทองอยู่มั้งแล้วภูเขาพื้นโอ้โหกว้างขวางมหาศาลแล้วไปมาวันหนึ่งแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าไม่ได้ทักทองมาทักเม็ดแต่ตอนนี้ไม่ต้องไม่ต้องมีคนใจดีคนหนึ่ง แข็งแรงมากเลยแกเสียสละตัวแกเองเสียสละตัวแกเองกุดทางไปปุ๊บไปเจอทองโอ้โหสายทองคานี่เป็นต้นเท่าๆลำตาลต่อสารกันเหมือนกับแม่นม้ำร้อยสายมาสานกันไม่สุดไม่สิ้นไม่รู้จักหมดแล้วแกก็แต่งทางปักป้ายบอกทางอย่างถาวอนมั่นคงเลยนะ ถ้าใครเข้ามาถึงตรงนี้ปุ๊บป๊บขึ้นไปสามเก้าเลี้ยวซ้ายสองเก้าเดินตรงไปอีกสิบห้าเก้าแล้วก็เดินลงไปสองขั้นบันไดแล้วก็เดินตรงไปอีกหนึ่งยดเลี้ยวฝาสิบห้าเมตรลงมาเป๊กเป๊กป๊กไม่มีเคลื่อนย้ายได้เส้นทางบอกไว้ชัดเจนเราจะไปเอาทองใช่ไหมเราไม่ต้องทําอะไรแล้วแค่เดินตามตามทางป้ายบอกทาง ป, ปบปบปบป บ, ปบแล้วก็เอาทองกัำไป มันง่ายๆแค่นี่ยมันง่ายๆแค่เนี ย, นา ย, นยการรู้ในอริยสัจที่เป็นยอดของวิ ช, ชาพระพุทธเจ้าก็าทำเปิดทางไว้เสร็จหมดเรียบร้อยสอนอนาปานสติจัดสอนไว้ชัดเลยนะแล้วบอกเหมือนกับพวกเราเป็นยิ่งกว่าอนุบาล อรั ญ, ญกัคตัวรุกมูลระักะตัวสุนยาคารักตัวเหมือนกับพวกเราเป็นยิ่งกว่าอนุบาลคืออะไรเหมือนไม่รู้อะไรเลยอ่ะบอกถึงขนาดว่าพวกเธอที่เป็นพวกที่ไม่รู้อะไรเลยพระพุทธเจ้าสอนพวกเราแบบนี้อารัญยัโตัวเธอไปอยู่ที่ป่าข้อตามรุกมูละกะกตัวอยู่ที่โคนต้นไม้ก็ตามสุนยาคารักตัวอยู่เรือนร่างเรือนว่างก็ตาม คือเธอจะไปอยู่ที่ตรงไหนตรงไหนก็ตามเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกงี้นะสงสารไหม <c oughs> เออแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าบาลังคังอาพุชจิตวานิชีที่บาลังคังอาพุจิตวานิชีที่คือว่านั่งคู่บาลังออบอกว่าไปเจอที่แล้วนะเธอก็นั่งขูบาลังเออ อุชุงกานางปานิตายะตั้งกายให้ตรงปริมุขังสติงูปัตปะตะวะดำรงสติอยู่เฉพาะหนะ้าเนี่ยก็เหมือนกับที่บอกว่าเดินไปสิบห้าเมตรเรียวซ้ายสองเมตรขึ้นบันไดสามขั้นนี่คือปบอกทางเออพอดำรงสติอยู่เฉพาะหนะ้า โสสตวะอัสติสโตปัสติเตรียมการมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าแต่เดิมเราหายใจเข้าหายใจออกทิ้งไปเรื่อยๆแต่คราวนี้เรามีสติกับการหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าอย่างไรนะเธอเธอควังนะเตรียมนะทีคลางว่าอัตราสั้นโตทีกังอัตราามีทีปัจจานติเมื่อเธอจะหายใจออกยาวก็ให้รู้หายใจออกยาว เมื่อหายใจเข้าสั้นก็ให้รู้หายใจเข้าดันก็มึงดื้ออะถูกไหมเข้าใจอย่างว่านี่คือป้ายบอกทางแต่เราพอลงมือนั่งเป็นไงอะฮะเออเพราะฉะนั้นการสัมผัสพื้นผิวความศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้า มันจะทำให้เราเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าชี้อย่างมั่นคงชัดเจนแน่นอนมันเลยยิ่งกว่ารางวัลอื่นๆของโลกมินี้ที่มีพอความศรัทธานี้มันเกิดมัน ความสงสัยที่พูดกันอยู่มันจะหายไปหมดเนี่ยจะรักษาสีหนะ้าแต่แควนอะ่ะเพื่อนเขาเยอะมากแล้ววันๆเพื่อนเขาก็มานั่งคุยเรื่องงานเรื่องการกันที่บ้านแล้วก็ต้องมีการดื่มสังสรรค์กันทุกวันทต่วันฉันไม่รู้จะเลี่ยงยังไงเราก็อยากจะรักษาสีหนะ้าความสงสัยแบบเนี้ยมันถูกเขี่ยด้วยขี้ตีนเลยมันจะจัดการเรื่องทุกเรื่องโดยไม่กระทบกระเทือนต่อศีลของมัน เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติมันเป็นเนื้อมันเป็นตัวถูกบ่าเฮยเนี่ยเยจรจาติดต่อกับลูกค้ามันบางอย่างถ้าเราไปพูดแล้วมันบางทีมันต้องมีไม่จริงแขวงไปมั่งเพราะว่าบางทีมันเผยหมดเหลือกก็ไม่ได้มันเป็นชั้นเชิงการต่อรองทางธุรกิจนันคือความสงสัยลังเลพวกนี้จะไม่มีจะไม่มีเลย ไอ้คนที่มันมีความลังเลสงสัยอยู่อย่างนี้อ่เพราะว่าความศรัทธาในพื้นผิวที่ว่าไม่เกิดไม่เกิดเมื่อเกิดปั๊บความสงสัยพวกนี้มันจะถูกดับออกไปไม่มีหรอกมันจะทำไปอย่างธรรมชาติก็เหมือนเราสอบป .1 ขึ้นป .2 ได้ป .2 ใช่ไหมเรียนป .2 เราขึ้นป .3 ขึ้นป .3 เรียนปขึ้นป .4 สอบป .4 ในขณะที่เราเรียนป .4 เราจะไปนั่งสงสัยอยู่ไหมว่ากอไก่เขียนยังไงไอะไรั้งไอไอปอหนึ่งเป็นยังไงอะไรเราจะสงสัยไหมมันไม่มีวันสงสัยโดยธรรมชาติเหมือนกันเหมือนกันอย่างเงี้ยถ้าศรัทธาที่มีต่อพระพุทธเจ้าเข้าสูงพื้นผิวที่มันตั้งมั่นอย่างนี้แล้วรับรองได้จะรับรองได้เลยจะหมดเวลาไปเยอะ และนี่แหละสาเหตุอะไรสาเหตุที่ว่าพอมันมีศรัทธาอย่างนี้ศีลมันก็จะบริสุทธิ์ขึ้นโดยเป็นธรรมชาติศีลที่มันบริสุทธิ์ขึ้นมาและกำลังของศรัทธาแบบนี้มันจะเกิดบริวารมาสี่ตัวคือฮิริโอตปะวิริยะและก็ปัญญาเขาจะเกิดด้วยกันศรัทธาตัวนี้ถ้าเกิดขึ้นแล้วก็จะมีฮิริโอตปะวิริยะปัญญา เขาจะเกิดอยู่ด้วยกันฉายแววมาที่ศรัทธาก่อนปัญหาศรัทธาที่เราว่ามันสำคัญนักหนาเนี่ยมันจะต้องเกิดเพราะอะไรศรัทธาตัวนี้มีมีอาหารมีเหตุมีปัจจัยไห ม, มฮะมีไหมมีอะไรอะเป็นปัจจัยของศรัทธาเป็นเหตุของศรัทธาเป็นอาหารของศรัทธา เรากำลังคิดที่จะตอบเองใช่ไหมเรากาลังคิดที่จะตอบเองใช่หมถ้าเป็นความสงสัยของเราธรรมาก็จะบอกว่าพระพุทธเจ้าตอบไว้ยแล้วจะฟังของพระพุทธเจ้าไหมศรัทธาอะไรเป็นอาหารของศรัทธาอาหารของศรัทธาคือการได้ฟัง อาหารของศรัทธาคือการอะไรไม่อยากการได้ฟังอาหารของศรัทธาคือคือกัลยาณมิตรการกัลยาณมิตรคืออาหารของศรัทธาทําไมกัลยาณมิตรจึงเป็นอาหารของศรัทธาเพราะเมื่อเรามีกัลยาณมิตรแล้วเราจะมีโอกาสได้ฟังความจริง พอเราได้ฟังความจริงจะทำให้เราเกิดความเชื่อถ้าเราไปฟังความไม่จริงเราจะเชื่อไหมเชื่อวล่าล่ะฮ ะ, ะยมถึงโตไปฟังความไม่จริงจะเชื่อไหมมีไหมคนที่เราเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงแต่มีคนเชื่อมีอยู่ <S <S <S ใช่ไหม <S <S มันไม่ใช่เรื่องจริงแต่เราเห็นคนไปเชื่อมันมีอยู่ ซึ่งไอ้พวกที่เขาเชื่อเพราะมันเข้าใจว่าจริงไงเออมันเข้าใจว่าจริงตัวที่จะทําให้เราเกิดศรัทธาคือตัวการยาณมิตรเพราะอะไรเพราะการยานมิตรทําให้เราได้มีโอกาสฟังความจริงหรือจะพูดใหม่ว่าตัวศรัทธาคือได้ก็ต้องเกิดจากพระสัทธรรมคือการได้มีโอกาสฟังความจรงิงฟังความจริงนี่มันจะเกิดได้ก็จากกัรยนานมิตร นี่แหลมันเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยนี่ยังเกิดแบบนี้เกิดอาคารทำดีรุ่งโรจน์สถานที่เปิดโอกาสให้คนได้มีโอกาสมาฟังเทศฟังธรรมเนี่ย mm hmm. อย่างแต่เดิมเราก็ไม่รู้อะไรพอเราได้มีโอกาสฟังธรรมเราก็รู้รู้แล้วก็เราก็ทำการพิจารณาเราไปปฏิบัติแล้วเราก็ได้รับความเป็นจริง mm hmm. เห็นความเป็นจริง รู้ในความเป็นจริงพอรู้ในความเป็นจริงมันจะเกิดอะไรเกิดความเชื่อขึ้นมานั่นแหละที่มาของศรัทธาคือความจริงกับกัลยาณมิตรจะเกาะ อ, อยู่ด้วยกันถ้าเราไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ความเป็นจริงนั้นคนที่เป็นกัลยาณมิตรกัเราคือใครคือพระพุทธเจ้าเราต้องเสพพระพุทธเจ้าในฐานะของอะไรกัลยาณมิตร เสภพระพุทธเจ้าในฐานะกัลยณาณมิตรและจะทําให้เราได้มีโอกาสคฟังความเป็นจริงของพระองค์ <_ d ata> เมื่อเราฟังความจริงของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราฟังเสร็จแล้วเราลึกตามพำนตามในใจโอ้มันเป็นความเป็นจริงอย่างนี้เองอะไรที่เราเห็นจริงตามที่พระพุทธแต่ตามความเป็นจริงที่พระเจ้าสอนเราเห็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าสอนเมื่อได้เราจะเชื่อในสิ่งนั้นทันทีเราจะเชื่อในสิ่งนั้นทันที เราเห็นจริงในสิ่งนั้นสิ่งใดเราจะเชื่อในสิ่งนั้นเราเห็นจริงในสิ่งใดเราจะเชื่อในสิ่งนั้นอืมเชื่อแบบชนิดที่เรียกว่าไม่ปักแม้ตัวตายก็ยอมยิ่งกว่ามะเร็งเม่าที่มันเชื่อว่าควายเป็นอาหารเคยเห็นมะเร็งเม่าบินเข้ากองไฟไหมมันเชื่อว่าควายมีอาหาร มันก็บินก็ไปปูปีกฉีกขาดบินไม่ได้แล้วเหลือแต่เท้าก็เดินก็่อยเดินก็่อยโดนไฟอยไหม้ขาขาดเดินไม่ได้แล้วก็ตัวเลื่อยตัวก็กลิ้งก็ไปเพราะมันมีความเชื่อเนั้นการเชื่อในความการพอรู้ความเป็นจริงจะทําให้เราเชื่อในความเป็นจริงนั้นพอเราเชื่อในความเป็นจริงนั้นจะมันมาจากไหนมันมาจากกัลยาณมิตรเลยไอ้นี่ว่าเหตุของศรัทธา การฟังธทมการศึกษาธรรมะมันเป็นเรื่องที่จําเป็นนต้องมีเพื่อประดับปัญญาฟังเสร็จแล้วเราก็ทําการพิจารณาในใจของเราให้มันเกิดองค์ความรู้พอเรา ม, มีความรู้ความเข้าใจปับ๊บมันก็จริงให้สังเกตของพระเจ้าเนี่ยมันเป็นความเป็นจริงที่เข้าถึงได้ของพระเจ้านะเป็นความจริงที่เข้าถึงได้ไม่ใช่ความจริงละเว้นนะความจริงละเว้นรู้จักไหม นุู้จักไหมความจริงล้าเวนฮะเช่นว่ายกมือขึ้นถุงถุงไหวตรงไปยังแสงอาทิตย์แล้วจะมีเทพเจ้าสี่ตนลงมารับรู้การไหวบวงสรวงของเราแล้วก็จะมีแสงขึ้นมาฉายเข้ามาในขณะที่เรายืนไหวอยู่นั้นแสงนั้นเป็นรัศมีของพระอาทิตย์ พลังก็จะเข้าสู่เราพลังนั้นจะทำให้เราประปสบความสำเร็จํำจัดอะไรอ่ะของต่ำทั้งหลายํำจัดนู่นํำจัดนี้นี่นี่นีน น, นี้ว่าเอาเองนะแต่ถ้าถามว่าเหตุผลเข้าไปได้ไหมไม่มีสัมผัสได้ไหมไม่ได้อไอการเชื่อแบบนี้เรียกว่าเชื่อที่ละเวน้น ความเชื่อละเว้นอความเชื่อละเว้นความเชื่อละเว้นทั้งหมดเข้าไม่ได้กับพระพุทธเจ้าจําไว้เลยความเชื่อละเว้นทั้งหมดเข้าไม่ได้กับพระพุทธเจ้าแต่ความเชื่อใดที่เป็นเหตุผลไม่มีความเชื่อใดที่เป็นเหตุผลจะขัดแย้งกับพระพุทธศา ส, สนาอื via. เพราะฉะนั้นที่บอกว่าพอได้ฟังพระสัท ธ, ธรรมคือความเป็นจริง เมื่อจิตเห็นความเป็นจริงตามที่ฟังก็จะเกิดความเชื่อมันจึงเป็นการตรหนักเป็นเชื่อที่มันปักลงไปชนิดที่เรียกว่าไม่ถ่ายตนเชื่อชนิดนี้เขาเรียกว่าอัจฉรสัต t าเป็นความเชื่อที่ไม่วันไหวพอเชื่อแล้วนี่ความตั้งมั่นในพระรัตนตรยัยเหมือนอย่างที่เราบอกพุทธังสระนังกชามิธรรมังสระนังกชามิสังคังกระสระนังกชามิไอ้นี่เราว่าตามพระว่าป้านำใช่ไหม แต่ว่าไอความรู้สึกว่าพุทธทางสังฆฉามิเวลามันจะเกิดขึ้นกับคนที่เป็นศรัทธาประเภทอาจารัสศรัทธานั้นโอ้โหมันก็แม่น้ำสายหนึ่งอะ่ะมันจะข้ามน้ำเพื่อไปกราบพระพุทธเจ้ามันจังควบมาข้าไปผ่านไปเลย <c oughs> บทรวดต่างๆที่เป็นพุทธคุณที่นว่านัตถิเบระนังอัญยังพุตโตเบระนังวายยังหรืออีติปิโซภะกวาเนี่ย เกี่ยวกับพันนาถึงพระคุณพระเจ้ามันเกิดขึ้นมาจากไหนมันเกิดขึ้นจากการจากการที่บุคคลสัมผัสพื้นผิวของความมั่นคงทางความเชื่อต่อพระพุทธเจ้าแล้วมันลึกขึ้นมาแล้วพันนาออกมาเหมือนกับสายน้ําที่หลังไหลออกมาออกมาจากขุนเขาอันไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณในการที่จะหมดสิ้นได้มันหลังไหลออกมาหลังไหลออกมาก็ตึงบอกพระคุณของพระเจ้าเนี่ยพันนาเนี่ยเอาแผ่นดินมาเป็นมาปากระดาษ ภูเขามาเป็นปากามหาสมุทรมาเป็นน้ำมึกเขียนใน ห, หมดแผ่นดินหมดน้ำมึกหมดปากาหมดมหาสมุทรก็ไม่สิ้นคุณของพระพุทธเจ้าปัณ น, นากันถึงขนาดนั้น mm hmm. แต่เรายังไม่รู้สึกเราก็ไม่เป็นไรแต่เราสัมผัส ก, กับคุณของพระพเจ้าวันไหนวันนั้นเราจะรู้เลยโดยเฉพาะนักเลงภาวนาเนี่ยเวลาเราภาวนาไปพอเข้าสู่จิตตั้งมั่นจิตผู้รู้จะเข้าสู่ความเป็นอิสระแค่จะเข้าสู่ความเป็นอิสระ ยังไม่ใช่ว่าถึงสมาธิฉันลึกอะไรมากมายนยพะพอภาวนาไปสักระยะหนึ่งเราไปสัมผัสกับสภาวะที่มันปรากฏภายในของการภาวนาเป็นทางผ่านสัมผัสปั๊บเราก็รู้ถึกเลยเราจะซึ้งกับพระพุทธเจ้ามากเลยเราจะซึ้งกับพระพุทธเจ้าอ๋อถ้าว่ามันเป็นการปฏิบัติที่อจะมานำพาการปฏิบัติ บอกอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเราอาจจะลึกละลึกได้เป็นเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติว่าอ๋อนี่ที่หลวงพ่อบอกอย่างนี้อ๋อย่างนี้นี่เองที่หลวงพ่อเคยบอกว่าอย่างนี้นี่อ๋อย่างนี้นี่เองอ๋อย่างงี้นี่เองอ๋อย่างงี้นี่เองไปเรื่อยเรืยเรื่อยเมันก็ถึงพระพุทธเจ้าอยู่เดียวพอสุดท้ายเราจะถึงพระพุทธเจ้าด้วยด้วยสภาวะที่ปรากฏในขณะที่เราปฏิบัติแค่การคิดอย่างเดียวเข้าไปได้เหมือนกันแต่มันมีกําลังไม่พอที่จะตั้งมัน่นมีกําลังไม่พอที่จะตั้งมั่น มันจะต้องเข้าไปเพราะฉะนั้นตัวที่จะต้องปรับตัวแรกๆในการภาวนาคือตัวอินทรีย์เรียกว่าสัตทินทรีย์คือศรัทธาที่จะต้องปรับต้องวางเพื่อให้มันเข้าไปให้ถึงเข้าไปให้ได้อย่างที่เราปฏิบัติเสร็จแล้วมันเกิดสภาวะโล่งโปรง่งเบาสบายโอยนั่งมีความสุขมากกับการภาวนาเราเห็นนี่โอ้โหอย่างเงี้ยมันควรที่จะทำมานาสิการคือทำในใจให้ถึงพระเจ้าไว้ก่อนเลยโอ้โห พระเจ้าช่างอัศจรรย์เหลือเกินถ้าพระมีไม่มีพระเจ้าสอนวิธีการอย่างนี้ไว้คนพบวิธีการอย่างนี้ไว้เราจะไม่มีโอกาสได้อย่างนี้เลยแต่ในขณะนั้นซึ่งจิตเป็นสมาตรที่อยู่ถ้าสามารถทำมนานัสิการในใจอย่างนี้ได้มันจะสัมผัสต่อความศรัทธาที่ที่เป็นเป็นเนื้อของความศรัทธาได้ได้แข็งแรงมากได้เป็นรูปเป็นร่างมาก ไม่เหมือนกับการที่เรามานั่งคิดทําความเข้าใจเอาเองนะอืมเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับเรื่องของศรัทธาให้มันถูกต้องแล้วก็โดยความเชื่อทั้งหมดแหละไม่ว่าจะเป็นเชื่อจากไหนจากไหนสุดท้ายต้องตรงเข้าหาพระเจ้าให้ได้นะทิตราลีต ร, รงเข้าหาพระเจ้าให้ได้พอเข้าสู่พระผู้เจ้าไม่มีโทษแล้วไม่มีโทษใดๆทั้งสิ้นเอาละพอ หอมปากหอมคอเตรียมตัวเข้าสู่การภาวนาพักสิบนาทีเพื่อทำทุระส่วนตัวปัดบัติียริยาบท